ตอนที่ก้าซื้อจื้อไม่คิดเช่นนั้นปรับใดที่สายและโผล่หัวออกมาด้วยคนของหลิงเซินอยู่ที่นี่ย่อมจับตัวได้แน่นอนอีกอย่างนางก็เกลียดการที่ต้องเห็นทั้งสองคนส่งสายตาหวานซึ่งให้กันจริงๆสู้ไม่เห็นเสียยังจะดีกว่าจะได้สบายตาขึ้นมากเรื่องเล็กน้อยเมื่อครู่นี้นางก็ได้ยินแล้วน้ําเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลของเซี่ยชิงจื้อนั้นช่างน่าเลี่ยนจนชวนให้อึดอัดเป็นอย่างที่คิดยอดดวงใจของเขายังคงเป็นยอดขมนางนี้รอสันไหวเพียงนิดเขาก็ดูเป็นกังวลถึงเพียงนั้น เยี่ยวแค้นเสียงเห่ในใจมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเหยาะหย็นจังๆหลินเซินเห็นเข้าพอดีจึงเอ่ยถามอย่างนึกสนุกนอกหน้าต่างมีเรื่องอันใดน่าสนใจหรือถึงทําให้เยี่ยวย่อดูอย่างเพลิดเพลินเพียงนี้เยี่ยเยายิ่มไม่อยากคุยด้วยเขาก็ยิ่งอยากจะชวนคุยเยี่ยวย่าสงบอารมณ์ยังคงมองออกไปนอกหน้าต่างพลางเอ่ยปัดไปส่งๆไม่มีอะไรแค่เด็กน้อยวิ่งเล่นกันเท่านั้นซื่อจือย่างข้าขอดูด้วยคน พื้นที่ในรถมากว้างขวางแต่เขากลับดึงดันเบียดเข้ามาเพื่อชะ ง, งกหน้ามองหน้าต่างบานเล็กใบหน้าขยับเข้ามาใกล้โดยม่ทันตั้งตัวกลิ่นอายบุรุษเพศที่เคยคุ้นเคยอบล้อมเย่เย้ไว้ในทันทีนางขามวดคิ้วหลบอย่างไม่เป็นธรรมชาติพลางขยับหนีไปด้านข้างอย่างเงียบๆทว่ายังขยับไปไม่ถึงสองชุนก็ถูกหลิงเซินคว้าตัวกลับมาที่ใดกันเขาหันหน้ามามองนางแววตาคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มมือใหญ่ที่แข็งแกร่งราวกับคีมเหล็กจับแขนของนางไว้ไม่ยอมปล่อย ใบหน้าหล่อเลี้ยที่ขยายใหญ่ขึ้นอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่นิ้วดูสนิทสนมเป็นพิเศษทั้งยังแฝงไปด้วยความคลุมเครือบางอย่างเยี่ยยรอบกัดฟันกรอดเจ้านี้จงใจชัดๆต้องยอมรับว่าเขามีรูปโฉมที่งดงามจริงๆคิวตาคมชัดสง่างามถึงกระดูกเครื่องหน้าทั้งห้าราวกับถูกสลักสลาวอย่างประณีตดูโดดเด่นและมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะดวงตาที่ลุ่มลึกคู่นั้นทำให้ผู้คนมองไม่ออกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่กลับทำให้ตกหลุมพรางได้ง่ายดายนัก เย่เยาเบือนหน้าหนีสายตาของเขาพลางเอ่ยเสียงเรียบผ่านไปแล้วมองไม่เห็นแล้วอ๋อหลินเซินทำท่าครุ่นคิดน่าเสียดายจริงเย่ยเยาไม่สนใจเขานางรอบออกแรงพยายามอยู่นานกว่าจะสะบัดแขนให้หลุดจากมือของเขาได้ทันทีที่ได้รับอิสระนางก็รีบขยับหนีไปด้านข้างเป็นระยะทางไกลทันทีท่าทางทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของหลิงเซินราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ร้ายที่น่ากลัวทําให้นางต้องรีบหลบเลี่ยง ความรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจสายหนึ่งพันพุ่งพ่านขึ้นมาในอกอย่างไม่มีสาเหตุเ ย, ยหนูนี่รังเกียจเขาถึงเพียงนี้เชียวหรือลินเซินขยับเข้าไปใกล้นางอย่างนึกสนุกอยากแกล้งและเป็นไปตามคาดเย่ยเาขยับหนีออกไปให้ไกลกว่าเดิมในการไล่ตามและหลบหนีนี้เย่เ ย, ยาวถูกต้อนจนไปติดประตูรถมา้าไม่มีทางให้ถอยอีกต่อไปนางโมโหตั้งนานแล้วเมื่อเหลืออดจึงเงยหน้าขึ้นถลึงตาใส่ค่ยอย่างแรงรถม้ากว้างขวางถึงเพียงนี้ยังไม่พอให้ซื้อจุดนั่งอีกหรือ จำเป็นต้องเบียดเข้ามาหาข้าด้วยหรือประโยคหลังนางไม่ได้พูดออกมาแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีแก่ใจลินเซิร์ยกยิ้มมุมปากนั่งกลยาวๆจะได้บ่มเพาะความรู้สึกให้มากขึ้นอีกทั้งยังได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นเด็กน้อยวิ่งเล่นกันเยี่ยวยาวถลึงตาใส่เขาอย่างไม่เกรงใจก่อนจะเบื่หน้าหนีและไม่สนใจเขาอีกเลยลินเซอร์นอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆ ก็บอกแล้วว่าได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจดูสิช่างน่าสนุกจริงๆยามที่นางโมโหดดวงตาที่ราวกับดวงดาราคู่นั้นช่างสว่างสวัยเป็นพิเศษยิ่งกว่าเพชรที่เจอจะรัเสียอีกอีกทั้งแก้มที่พองลมทั้งสองข้างนั้นยังดูอบอิ่มและมีสีแดงระเรื่อชวนมองจนเขาอยากจะยื่นมือไปบีบสักทีจริงๆแต่กลัวว่าจะทำให้นางตกใจจนเกินไปนางอาจจะกระโดดลงจากรถม้าหนีไปก็ได้เขาจึงต้องข่มใจเอาไว้ เขาลืมไปเสียสนิทเลยว่าบนรถม้ายังมีเสี่ยชิงจืออยู่อีกคนเสี่ยชิงจือเองก็ไม่คิดว่าหลินเซินที่เคยทะนุถนอมนางราวกับไข่มุกในอุ้ง ม, มือจะมองนางเป็นเพียงคาดอากาศเช่นนี้นางมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยที่หยอกล้อกันเล่นแต่นั่นคือหลินเซินที่เซินที่มาสะลบเลี่ยงสตรีอื่นมาโดยตลอดยกเว้นเพียงนางคนเดียว ต่อหน้าผู้คนเขามักจะเคร่งครวมเย็นชาและวางตัวห่างเหินเสมอเคยยิ้มให้กับสตรีที่ไม่สนิทสนมเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันยิ่งไปกว่านั้นยังหยอกล้อเล่นหัวกันถึงเพียงนี้นี่ใช่พี่เซินของนางใช่หลิงเซินคนที่นางรู้จักจริงๆหรือเขาเป็นฝ่ายเข้าหาเยี่เยลครั้งแล้วครั้งเล่าแม้เยี่ยเยลจะแสดงอาการกโกรธเคืองอย่างเห็นได้ชัดเขาก็ไม่ยอมถอยออกไปแม้แต่ชุ่นเดียวเสี้อชิงจือใบหน้าซีดเผือกนางแอบหยิกใจกลางฝ่ามือตนเองพยายามปั้นยิ้มออกมาเพื่อทำลายความกระอักกระอ่วนนี้ พี่เซินท่านมานั่งข้างข้าเถิดอย่าไปเบียดพี่เยี่ยเลยเจ้าคะ่ะเมื่อได้ยินดังนั้นหลิงเซินก็มองซ้ายมองขวาแต่กลับไม่ขยับขยีขย้แม้แต่นิดเดียวเบียดหรือเขาแซงโง่พลางขยับเข้าไปใกล้เยี่เยามากขึ้นเยาเยาคิดว่าอย่างไรเย่เยาไม่แม้แต่จะหันไปมองนางเค้นคำพูดออกมาจากซอกฟันคำหนึ่งอย่างดุดันเบียดนางไม่คิดจะไว้หน้าเขาแม้แต่นิดเดียวนี่คือคําสั่งเล่แขกอย่างชัดเจน ใครจะคาดคิดว่าหลิงเซินจะหน้าด้านกว่าที่นางจินตนาการไว้นอกจากก้นจะไม่ขยับไปไหนแล้วเขายังยกขาเรียวยาวขึ้นพาดอย่างสบายอารมณ์เปิดซื่อจือไม่เห็นรู้สึกเช่นนั้นเขาเห็นกล้ามเนื้อข้างแก้มของเยี่โยกระตุกไหวอย่างชัดเจนคาดว่านางคงแทบจะกัดฟันจนแตกละเอียดแล้วเมื่อเห็นนางจนแต้มหลิงเซินก็รู้สึกเบิกบานใจอยากจะหัวเราะออกมาดังๆแต่ก็สะกดกลั้นไว้ทว่ามุมปากที่ยกยิ้มขึ้นนั้นกลับปิดไม่มิดเสี่ยชิงจือที่นั่งฝั่งตรงข้ามมองเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจน นางยิ่งตกตาลึงจนตาค้างพี่เซอร์นของนางดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วตลอดทางเย่เยอถูกบีบให้ติดอยู่ในมุมแคบๆในใจกลดดาบุรุษผู้นี้ไปแล้วนับพันนับหมื่นรอบไม่รู้ว่าไปล่วงเกินเขาตอนไหนสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะยุ่งยากเสียแล้วยิ่งนางเหินห่างยิ่งนางต่อต้านกลับยิ่งกระตุ้นความปรารถนาที่จะเอาชนะของหลินเซิรการรังแกนางกลายเป็นความเพลิดเพลินของเขาไปเสียอย่างนั้นไม่ดีแน่ อุส่ามีชีวิตรอดมาได้อีกชาติแถมชาติก่อนหนิงต้องตายตกไปพร้อมลูกในท้องหนึ่งศพสองชีวิตเย่เยาจะไม่ยอมผัวพันกับบุรุษผู้นี้อีกเด็ดขาดต้องรีบจัดการเรื่องสายลับให้เสร็จสิ้นจากนั้นค่อยทูลขอให้ฟาบาดถอนสัญญามั่นหมายแล้วหนีไปให้ไกลาจากเขาทัานใดนั้นเงาร่างที่คุณตาคนหนึ่งก็วูบผ่านหน้าต่างรถมา้าไปเย่เยาถีบขาเรียวยาวของหลิงเซินออกไปอย่างแรงแล้วพุ่งตัวเข้าไปที่หน้าต่าง เสียวชิงจืนึกว่านางจะพุ่งเข้าหาตนเองจนตกใจแทบแย่แต่เยี่เยอกลับยื่นหน้าออกไปนอกหน้าต่างรถม้าและหดกลับเข้ามาหยุดรถรถม้าหยุดกระทันหันเยี่เยอพุ่งตัวลงไปทันทีหลินเซินรีบตามลงไปเห็นนางลงจากรถแล้วมองหาใครบางคนท่ามกลางฝูงชนอย่างหลนลานเจ้ากําลังหาอะไรเย่เยาเมินเขาแล้วหันไปถามเจนเจียและไปลู่บัณฑิตคนเมื่อครู่อยู่ที่ใดสาวใช้ทั้งสองมองหน้ากันพางสายหน้า พวกนางเดินตามรถม้ามาแต่ไม่ได้สังเกตเห็นคนเดินถนนรอบข้างมากนักเย่เยวร้อนใจนางรวบชายกระปรองขึ้นแล้ววิ่งไล่ตามไปเยี่เยาลินเซิรนรีบตามไปติดติดเสี่ยชิงจือเพิ่งจะได้รับการพยุมจากสาวใช้ให้ลงจากรถม้าเมื่อเห็นลินเซิร์นวิ่งตามเยี่เยาไปนางก็ร้อนใจกัดฟันวิ่งตามไปเช่นกันบนถนนสายหลักผู้คนทุกพล่านเดินเบียดเสียดกันจนแน่นขนาดเทียงแค่การเหลือบมองชั่วครู่สุดท้ายเยี่เยาก็ไม่สามารถหาบัณฑิตผู้นั้นพบท่ามกลางทะเลผู้คน แต่นางเห็นชัดเจนยิ่งนักบัณฑิต ท, ที่สายลับผู้นั้นแปลงโฉมมานางจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตเช่นนี้แสดงว่าสายลับผู้นั้นต้องแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงแล้วเป็นแน่วันนี้ไม่ลงมือวันหน้าก็ต้องหาโอกาสมาลักพาตัวนางอีกแน่นอนเยี่ยยาวขมวดคิ้วเรียวงามจนกลายเป็นปมแน่นหลิงเซินตามมาทันเขาคว้าหมับเข้าที่ต้นแขนของนางเจ้ากำลังหาอะไรกันแน่ชีวิตของตนเองสําคัญที่สุดเยี่ยยาวจึงไม่ปิดบังเขา เมื่อครูคาเห็นสายลับของตันตีเจ้าคะ่ะสีหน้าของหลินเซินเปลี่ยนไปทันทีเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีสายลับของตันตีแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงเมื่อได้ยินดังนั้นเยี่ยวยาวก็ชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพล่งออกมาท่านเองก็รู้อยู่แล้วหรือว่ามีสายลับตันตีแฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงหลินเซินไม่ตอบนางเขาเพิ่มแรงบีบที่ต้นแขนของนางข้าถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรเยี่ยวยาขมวดคิ้วด้วยความเจ็บแต่หลินเซินก็ยังไม่ยอมปล่อยมือดูเท่าว่าเรื่องนี้จะสำคัญยิ่งยวดจริงๆ